มันง่ายหรือมันยากสิ่งที่มันฟังรากอยู่ในหัวใจของเราเน่ะมันไม่รู้มันฟังรากมา ก, กี่กับกี่กันกี่ภูริชาติขนาดพวกเราเกิดมาในกับที่มีพระพุทธเจ้าตั้งห้าพระองค์เน่ะเรายังหนาปึกขนาดนี้ บางจมพวกเกิดมาไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าบาดขึ้นมาเลยพวกเราโชคดีขนาดนี้พระกาภูสันโรล่วงไปแล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหนพระโคนาคำโนพระกัสโซโพพระโคตโมพระพุทธโคดมของเราเนี่เราอยู่ในรัศมีธรรมของพระองค์อยู่ทุกวันเนี่ยจิตใจของเราอย่างดื้อ ด, ดึงแข็งกระด้างขนาดนี้ ที่จะอ่อนน้อมให้เห็นข้อเท็จจริง <c oughs> หัวใจของเรามันเห็นยากเราเราอยู่ด้วยความเพลินเกิดพบไหนพบไหนก็อยู่ก็ด้วยความเพลินความเพลินก็ทำให้เราเผลอไปกับกิเลสเพราะกิเลสมันยี่ยวนชวนให้เราปลืมป้มพิจียินดีไปกับมันแต่ว่าผลตามมาก็คือพันเราไว้ในวัฏสงสาร กองทุกทะเลทุกเลื่อนไปในโลกในวัฏสงสารมันเลยพันเราอยู่ในวัฏสงสารไม่จบมันรูจ้จบจบมันง่ายแต่มันยากมันดื้อด้านดักดานขนาดไหนเรารู้แต่หากทุกคนเนี่ยต้องผ่านการสังสมอบรมมาด้วยกันมากน้อยเท่ากันไม่เท่ากัน พูดถึงว่าพวกเรามีบุญพวกเรามีบุญด้วยกันไม่มีบุญไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราดูสัตว์เต็มไปหมดนะในพบภูมิเนี่ยสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นนั่นน่ะเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เรามีคุณสมบัติพอเพราะเรามีศีลเรมีธรรม อย่างน้อยศีลหา้าผู้เรามีไม่ครบกันทุกทุกข้อแต่เราก็ยังมีมีมากมีน้อ ย, ยอาจจะด่างอาจจะพร้อยอาจจะอะไรอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหัวใจของเราจึงต่างกันคุณสมบัติของเราไม่เท่ากันก็เพราะว่าระยะการเวลาที่เราสั่งสมอ บ, บรมมาไม่เท่ากัน ความขยันมันเพียนไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันสติปัญญาไม่เท่ากันความมุ่งมั่นที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นน่ะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันดีกรีแห่งความฉลาดในหัวใจของเราจริงมันไม่ถึงไม่เท่ากันเพราะการสังสมอบรมสติปัญญาของเราไม่เท่ากัน แต่เรามีคุณธรรมพิเศษติดตัวมาด้วยกันทุกคนคือสติธรรมตัวที่สลับมาปลุกจิตของเราให้ตื่นในรู้อยู่มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนด้วยเหตุที่เรามีสิ่งนี้เราจึงสามารถจะปลูกฝังจิตใจของเราได้แต่ถ้าเป็นเหมือนสเสดระฉาแล้วหมดโอกาส เพมันพัฒนาไม่ขึ้นมันไม่พัฒนาไม่ขึ้นเหมือนจิตมนุษย์เหมือนใจมนุษย์ใจมนุษย์มันพัฒนาได้พัฒนาขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยปัจจัยเหตุปัจจัยทั้งภายนอกทั้งภายในเหตุปัจจัยภายนอกต้องได้ยินได้ฟังต้องมีผู้ฝึกมีผู้บอกมีผู้สอน เหตุปัจจัยภายในก็คือการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นความมุ่งมั่นความภาคความเพียรความพยายามความละเอียดรอความสังเกตสังกาความจดจอ่อต่อเนื่องคือการสร้างคุณสมบัติหัวใจของเรามันสร้างได้เหมือนอย่างความรู้ทั่ ว, วไปที่เราเกิดมาเราเรารู้ที่ไหนข้อไกลข้อกาเราหัดเรียนมาด้วยกันทุกคน วาย จ, จบอนุบาลระจบปถมมัธยมอุดมปิญญาตรีโทเอกจบด็อกเตอร์สองสามด็อกเตอร์เราเรียนรู้ได้หมดพัฒนาความลึกลเอียดไปได้หมดบุญในใจของเราเช่นเดียวกันสั่งสมมากก็มีมากสั่งสมน้อยก็มีน้อยแต่การสั่งสมเนี่ย มันยังไม่คงที่เราคิดว่าสังสมบุญ <c oughs> เรามีสมาทิฏฐิในขณะเดียวกันที่มันยังไม่คงที่มันพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเราจึงทาบุญบ้างทาบาบ้าง <c oughs> ทำบาบ้างทบ า, บ, างทบุญบ้างสิ่งที่ตามมาก็คือเรามีความสุขบ้างเรามีความทุกข์บ้างมีความทุกข์บ้า ง, ม, า ม, างมีความสุขบ้าง มีความสุขมากมีความทุกน้อยมีความสุขน้อยมีความทุกมากมันก็เป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของเราอยู่อย่างนี้แหละแต่การที่เราเกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายถ้าหากเราไม่เคยมองให้เห็นเกิดความสุขสังเวชในหัวใจของเราเราก็จะลอยคอไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ ไม่มีความเบื่อนหน่ายในวันต่อสองสารเคลืลอ่อนหมกอยู่ในโลกไม่มีไม่มีที่จบไม่มีจุดจบโลกนี้เป็นโลกที่เรามาหมกอยู่เหมือนกอบเหมือนเขีหมือนปูเหมือนปลากบอยู่ในที่ตรงที่โคลนกลบอยู่ ในกองของกามคุณทั้งหลายเนี่ยหมกอยู่ในกองของกรรมคุณทั้งหลายสิ่งที่เราพาเราเพลินพาเราคำนัดพาเรายินดีผูกมัดเรานั้ไวในวัฏสงสารไม่จบไม่มีจุดจบถ้าสนามใดเราไม่เห็นทุกข์เราไม่พิจารณาเรื่องทุกข์ไม่พิจารณาให้เห็นทุกข์โอกาสที่เราจะย่นย่อวัฏสงสารมีน้อย มีแต่ทำให้ยืดยาวไปไม่มีที่จบเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนี่แหละคือกองทุกข์คือความทุกข์อย่างทุกวันนี้พวกเราพอจะมีความสุขบ้างเพราะเรามีความเพลินถึงจะมีความทุกข์คนอยู่ในนั้นพวกเราก็มองไม่ออกเรามีความสุขท่ามกลางกองทุกข์ เรามีความชุ่มเย็นอยู่บ้างท่ามความท่ามกลางความเร่าร้อนกิเลสราคะโทสะโมหะน่คือความร้อนราคะขี้ความร้อนคือราคะความกำหนัดความยินดีโทสะคิความร้อนคือความโลภคือความโกรธโมหะคีความหลง แต่ละอย่างแต่ละอย่างพุทธิยถาท่านว่าเป็นไฟแต่พวกเราดูไม่ออกเราเห็นเพลอเห็นหน้ายินดีร้อนร้อนรอนรอนโอ้ชุ่มเย็นเย็นเียบเย็นเหมือนน้ำแข็งพวกเราดูไม่ออกเราติดเราเพลอในสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษานามใดที่เราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษวัตะสงสารเรายาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบท่านจึงให้เราพยายามมองเห็นกองทุกข์อันนี้แจงทุกขังนัตตา นี่เป็นยอดของสัจจะที่มันมีอยู่ในกองรูปของเราในกองนามของเราเนี่ยรูปก็คือร่างกายนามก็คือใจกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผลิผลของใจใจของเราคือผู้รู้คือธาตุรู้ธาตุรู้ก็บธาตุไม่ธาตุไม่รู้มันมีมาไปจาโลก ธาตุรู้คือใจคือจิตของเรานั่นแหละท่านเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้มโนธาตุหรือวิญญาณธาตุท่นเอาเป็นธาตุรู้เป็นสิ่งที่มีประจําโลกไม่ใช่เพิ่งเกิดมีแค่เราเกิดมาในชาตินี้ในอัตภาพนี้มันหามันเกิดสะสมมามารู้เท่าไหรต่อเท่าไหร่แต่หามันจะเปลี่ยนภพภูมิไปตามอํานาจของบุญของกรรม ทำกรรมไม่ดีมีคุณสมบัติไม่พอไม่ต้องมไม่ได้มาเป็นมนุษย์แหละเป็นสัตว์อิริานมีคุณสมบัติพอก็ได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยศีลศีลห้าสมบูรณ์เป็นอัจฉรยะบุคคลมีสติดีมีปัญญาดีมีความเพียบพร้อมด้วยทรัพสมบัติปัญญาสมบัติทรัพสมบัติอริยะสมบัติมีเพียบพร้อม ถึงกณะนนก็ตามเราก็ยังต้องดิ้นรนขวนขวายสแสวงหากว่าเราจะถีบตัวเองให้ประสบความสาเร็จด้วยคุณธรรมที่จะทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจางในในภพในชาเนี่มันต้องอาศัยความหมั่นความพยายามความภาคความเพียรที่เรามาอย่างนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งทำให้เราไม่ลืมเนื้อลืมตัว ทำให้เรามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นมหาบุรุษผู้ย่าท่านเป็นมหาบุรุษอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเสียสละเอาเป็นเอาตายเพื่อให้รู้ให้ได้วิชาเหล่านี้มาสอนมาบอกมาสอนสอนตัวเองแล้วก็สอนคนอื่นพาสัตว์ข้ามพ้นจากภบชาติเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยผลสัตว์ออกจากโลกเพื่อนิจอยางทุกขังอนันตตาเนี่ยสร้างบารมี ว่าแต่อะไรที่ดีที่สุดที่จะแลกได้ที่เปลี่ยนได้มันไม่มีอะไรเกินชีวิตเอาชีวิตเขาแลกเลยทานก็ต้องให้ชีวิตเป็นฐานเนี่ยบางใจบาง เ, าเพียนความเพลินเพียนเอาความเป็นความตายใส่เข้าไปเลยตายเพราะความเพียนศึกษาเกี่ยวเรื่องปัญญาส่อแสงหาเรื่องปัญญาทำลายความหลงเอาชีวิตแลกเข้าไปเลย ชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าขอให้ได้สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าข้าอุตส่าห์พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวถึงขนาดนั้นเราเห็นพระเมตตาของพระองค์แล้วทำให้เราเห็นความสามารถของพระองค์เห็นความเสียสละของพระองค์เห็นความเหนื่อยยากของพระองค์น้อมมาใส่ใจของเราเราเป็นคนทุกข์เราเป็นคนยากไร้ อับจนน้อยบุญน้อยกุศลน้อยสติน้อยปัญญาที่จะรู้เห็นสัจธรรมตามพระองค์ไปได้เนื้อคิดให้มากพิจารณาให้มากนะถึงความทุกข์ทุกยากทุกไร้อับจนสติอับจนปัญญาเมือ่อเราไปทําพุรรมพันอยู่ท่ามกลางมหาเศรษฐีผู้เจ้ามหาเศรษฐี มหาเศรษฐีมหาปัญญามหาสติมหาปัญญามหาปราดมหาบัณฑิตมหาบุุษเป็นคน ท, ที่ไม่มีความขาดตกบกพร่องแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีดูในวันเกิดของพระองค์เกิดในวันวันเพน็งเหรอสูในวันเพน็งเดือนหกเกิดในวันเพนเ็งเดือนหก รัสรู้ของวันเพ็ญเดือนหกแสดงทำรรมาจากกับวันเพ็ญอีกกรณีพานของวันเพ็ญเดือนหกอีกมีแต่วันเต็มไม่มีวันบกพร่องเป็นปริศนาสอนบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความบกพร่องสร้างบารมีทางความป้องกันให้กับตัวเองทุกระยะทุกเวลาจนไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีข้าศึกไม่มีศัตรู แมแต่เมธีนเมธชายในพระทัยของพระองค์หลังจากได้บรรลุธรรมแล้วชนะเด็ดขาดกับผู้ที่ผูกเวรผูกภัยอาฆาตพยาบาทกับพระองค์เนี่ยไพ่พระองค์หมดพระองคไม่ต้องไปตอก่อนไม่ต้องมีอาวุธอาศัตรูอะไรอาศัยเมตตาอย่างเดียวนี่กลบทับสิ่งเหล่านั้นหมดเราดูแต่พิชชางตกมันน่ะนาราคิริงตกมัน รงตรัสสอนด้วยพระวาจาแค่นั้นแหละตื่นตื่นจากตกมันน่นนะสางเลยความเมานั่นเนะมาจากตกมันเมามันเมาเพราะอะไรความโลภความโกรธมองเห็นเรื่องล้างทำลายล้างขลาเหไหมที่พระเทวทัตปล่อยไปปล่อยไปให้ทำลายพุทธเจ้านะี่แต่พระเมตตาของพระองค์นี่ ไปช้าไปล้าไปชโลมไปความเร่าร้อนในหัวใจดวงนั้นเน่ยจนเยือกเย็นไหมนะสโลดใจสังเวชใจด้วยอำนาจความเมตตาของพระองค์แผ่ไปแล้วมันเย็นอ right. ่อนนี rage, ่มลงกราเปลาะเปลอะเห็นบุญเห็นคุณได้ไหมร้องโกกกอกอกกกอกสอนอีก สอนเราฟังรู้เรื่องสัตว์ทั้งหลายฟังรู้เรื่องพุทธิเจ้าท่านสอนอาศัยพุท ธ, ธานุภาพบารมีของพระองค์ดูแต่พระเทวทัพจ้างคนไปฆ่าเนะี่บวชหมดจ้างไปมากน้อยเท่าไรไปฆ่าพุทธยากบวชหมดจ้างไปเท่าไรบวชหมดไหนรู้ว่าแพ้ภัยตัวเองเห็นไหมแพ้ภัยตัวเองจนตกอเวจีมหานารกเนีนะ แต่ด้วยความมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระองค์เล็งดูอาาคตังสยานโอ้ด้วยเหตุที่เธอมาเกี่ยวข้องกับเรานี่ยจากนี้ไปเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับและก็ด้วยเหตุที่เธอกลับใจพระเทวทัตกลับใจก่อนที่พุทธเจ้าจะพยากรขั้นนั้นระดับนั้นเนี่ยเพราะพระเทวทัตกลับใจเคยอาฆาตกับพุทธเจ้ามาทุกภพทุกชาติก็กลับใจยอมชิโรราบเตรียมร้อยแล้วตอนนี้ จากนั้นและพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์เออเธอไม่เสียเปล่าที่มาเกี่ยวข้องกับเราจากนี้ไปเท่า น, นั้นกับเท่า น, นั้นกลับเธอจะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกขปุถะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เป็นประเภทพระปัจเจกขปุถะตรัสรู้เองโดยชอบเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นพระประเภทปัจเจกขปุถะตรัสรู้เฉพาะตน ไม่ได้ตั้งศาสนาไม่มีภิกษุภิกษุณีบาสอสบาสิกาเป็นบริษัทบริวารถึงกระนั้นแล้วก็ตามก็ถือว่าเยี่ยมที่สุดแต่ตอนนี้ยังรับกรรมอยู่ในมหาเวจีนรกกระเทวทัศเป็นเหตุที่มัเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าชีวิตและภพชาติของสัตว์ทุกๆประเภททุกๆุ ก, ก, กจำพวกไม่ว่าจะเป็นคนคนไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหน ภาษาไหนชาติไหนาศาสนาไหนก็าานาตามความชินสุตรของภพชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะต้องพ้นทุกพน้นโทษตามพระพุทธเจ้าถ้ามาไม่ถูกทางไม่พน้นวันตัสสงสารไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเกิดเพือที่สูงพอหมดอายุไขหมดบุญก็ตกลงมาที่ตำ่ำ ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นมนุษย์บางที่กับตกตามไปเป็นเปรเป็นสนรกสับเปลี่ยนกันอยู่นี่แหละไม่มีจุดจบไม่มีที่จบนี่คือสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายไม่มีจุดจบไม่มีที่จบถ้าหากไม่เห็นทุกเห็นโทษอ น, นิจจังทุกขังนัตตาแล้วเนี่ยไม่เห็นโทษในการเกิดโอกาสที่จะสแสวงหาเกิดมันก็จะมีอยู่ร่ําไปสุตติยาท่านมีความสามารถนะ ระงับดับความเกิดได้นเมื่อดับความเกิดได้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่มีไปแก้ความเจ็บแต่ไม่รงับความเกิดเจ็บจนตายตายแล้วไปเกิดอีกไม่เคล็ดลับในความตายไม่พิจารณาสาเหตุแห่งการเกิดไม่เคล็ดลําในการเกิ ด, กดตายแล้วก็ไปเกิดอีก เกิดทีไรเมื่อไรก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเกิดที่ไรเมื่อไรก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนี่แหละคือวัดวัดวตัดสงสารความเวียนว่ายตายเกิดเนี่ที่จะเรียกว่าสังสารวัตรสังสารวัตรกิเลสมันพันหัวใจของเราให้เราทํากรรมเราทํากรรมอย่างไรเราจะต้องได้รับผลอย่างนั้นกิเลสเป็นเหตุให้เราทํากรรมทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เราได้รับผลของกรรมนั้น ตรงแนวตามเหตุตามผลเหล่านั้นไม่มีใครบิดเบี้ยวได้เป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความขลังที่สุดเป็นความชัดเจนที่สุดเรื่องการให้ผลของกรรมไม่มีใครเอายศฐานบรดาศัตว์เอาชาติตระกูลสูงต่ำไปต่อรองกับสิ่งเหล่านี้ได้คือไปต่อรองกับกรรมได้ชาติชันวันนาะตระกูลไหน ย่อมเป็นไปนตามอำนาจของกรรมทั้งนั้นกรรมพาไปก ร, รําคืออะไรคือพฤติกรรมที่เราลงมือทำเหตุลงไปแล้วมันมีผลตามมากิริยาที่เราทำเนี่ยานวากกรรมกรรมข้าสวรรักทรพัพยพฤทธกินนกรรมเยานีน้กายกรรมเพราะฉะนั้นแค่เรารักษาศีลห้าได้เนี่ยทำให้กรรมของเราในบริสุทธ กายกรรมว่าวิจีกรรมของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นสีลห้านี่ไม่มีเลยอบายมุกอบายภูมิไม่มีมีแต่สวรรค์เป็นที่ไปบริสุทธิ์ขัน้นศี่ห้าเราบริสุทธิ์ขั้นสีแล้วเราจะจําเป็นจะต้องปฏิบัติเพื่อให้รู้เห็นเกี่ยวกับหลักของธรรมศี่นี่เป็นปลายเหตุระงับดับปลายเหตุของแค่ แค่ระงับดับปลายเหตุของตัณหาในหัวใจของเราตัณหาคือกิริยาของใจที่มันเลวอ่ะใจมันเลวพฤติกรรมของมันที่มันเลวๆอ่ะที่เรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความยากและเป็นภาษาไทยไทยเราแปลว่าความยากดูไปแล้วมันเหมือนมันลึกลับเราสามารถดูได้ความอยากในหัวใจของเรานี่ตัวนี้แหละเป็นตัวร้ายกาศที่ดึงเราขึ้นสูงขึ้นต่ำ ที่ดึงเราสุขดึงเราทุกตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเราสามารถสงบระงับดับสัรหาได้ความเกิดมันก็เกิดไม่ได้แต่ที่เราติดภพติดชาติตายแล้วเราจะต้องไปเกิดตายแล้วเราจะต้องไปเกิดเพราะความอยากนี่แหละมันดึงเราไปผู้ที่ชนะความเกิดได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายันะความเกิดได้ท่านไม่เกิดก็เพราะท่านหมดความอยาก หรื่าหมดความอยากแล้วมันไม่มีอะไรพาไปไม่มีสิ่งพาไปความอยากตัวนี้แหละกระดูกกระดิกคลิกแแปลมาอย่างหนึ่งเป็นความโลภอีอย่างหนึ่งเป็นความโกรธทั้งโลภทั้งโกรธคือกิริยาของความหลงหนึ่งในใจของตัวเองแสดงออกมาปั๊บทำให้ผู้รู้ดวงนั้นถ้ารู้ดวงนั้นน่ะมีความเศร้าหมองในตัวเองเ้าเรียกว่ากิเลสกิเลสแล้วว่าความเศร้าหมอง มันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดนั่นกิเลสตัณหาราคะนี่อันเดียวกันเกิดขึ้นอยู่กับทารู้ของเราอย่างเดียวนี่ธรรมะหนึ่งหัวใจของเรานะเราพยายามศึกษาและย้อนมาที่ใจของเราเราจะเห็นทาไมศึกษาไม่เห็นดอกไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะรู้เราจะเข้าใจเราจะเห็นมันเราต้องหยุดมันซะก่อนการที่เราจะหยุดมันเราจะต้องเอางานของเราไปปิดไปกั้นมัน แค่เรากำหนดจดจ่อด้วยสติมันก็หยุดได้ความอยากเหล่านั้น่ะความอยากหน่วใจของเราเนี่ยแค่เรากำหนดจดจ่อด้วยสติก็ว่าสติก็คือ ค, อความตื่นรู้ชัดเจนที่สุดในหนัวใจของเราณนะใดก็ตามในหนัวใจของเราที่มันชัดเจนที่สุดนั้น่ะขณะนั้นใจของเรามีสติกำกับดูแลอยู่แร่บใดขาดสติกำกับดูแลอยู่เดือนร้างจางไปแล้ว อารมณ์ที่ใจมันเกาะ อ, อยู่นั้นน่ะมันจางไปแล้วหายไปแล้วเช่นอย่างเราพยายามจับอารมณ์พุทโธพุทโธซึ่งเป็นอารมณ์ธรรมมาอยู่กับใจของเราเนี่ยถ้าสติของเรามันเลือนรางจางมันหายไปแล้วพุทโธหายไปแล้วเกิดความรักความชังความโกรกความเกลียดอารมณ์ใดที่มันรุนแรงเคยรุมรบเรา้าเนี่วใจของเรามันก็จะโผล่ขึ้นมาคืออารมณ์ที่เป็นลูกสมุนของเจ้าตัญหานั่นแหละความอยากหนุ่ว้ใจของเรา อยากตามอำนาจของสมุทรไทยในเรื่องของตันหาแต่ถ้าอยากทำตามอำนาจของมาร์กอันนั้นท่านว่าเป็นมารกทุกสมุทรไทยมีโรธมารกดูใจท่านจึงสรุปมาที่นี่พอพระองค์มาเรียนจบตรงนี้พระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตัดสัรุเองโดยชอบเพราะมันตัดสรูตรงนี้แหละมันตัสรูทุก เห็นว่าร่างกายเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกขเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งสี่เนี่ยเป็นนามขันเนี่เป็นก้อนทุกขเป็นกองทุกขแต่ว่ามันเป็นผลสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลเหตุก็มันมันมาจากสมุทยัยสมุทัยก็คือกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาเราสรุปลงแบบภาคปฏิบัติก็คือความอยากอยากอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง อวัตถุกรรมอยากอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความอยากมีอยากเป็นไม่มีตัวไม่มีตนจะมีแต่ความอยากอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เงี้ยอยากไม่มีไม่เป็นเช่นอย่างเราเจ็บล้วปวดเนี่ยร่างกายมันจะต้องเจ็บปวดตามหลักธรรมชาติของมันแต่กิเลสในหัวใจของเรามันไม่อยากพอเวลามันเจ็บมันปวดขึ้นมาแล้วมันทุกเพิ่มเข้าไปอีกแล้วแะ ย า, ยามหนีให้พ้นจากความทุกข์อันนี้เหมือนอย่างคนที่พยายามมัดคอตัวเองเพื่อจะหนีทุกขนะ์นะมีเขาเรียกว่ายากไม่มีอยากไม่เปลี่ยนยาผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วอยากผลักให้ออกมันไปจากหัวอกของเราที่เรียกว่าวิภวตันหาหร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่เนี้ยร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บร่างกายต้องตายไม่อยากตาย ไอ้ความไม่หยาเนี่แหละที่เรียกว่าวิภาวะตันหาวิภาวะทันหานัาปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูมันเร า, เราดูที่ความหยากอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นมามาโผลเองเรารู้จักเองเข้าใจเองว่าจะเราตามให้ทันความอยากในในใจของเราแล้วกันมันจําไม่ยากเราเราคอยสังเกตเวลาเราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธค่อยดูเวลาความห ย, ยากมันแทรกเข้ามาอยากไม่ให้ยุง่ออยงเจาะเงี้ยเอา ขันเลอะเกินเจาะซ้ายเจาะขวาอยู่เนี่ยอยากนอนเลอะเกินอ่ะดึกแล้วอยากข้าวเลอะเกินเคยทานรับทานข้าวตามใจชอบหิวกาแฟงเงี้ยหิวน้ำปวดอุจจาะปัสสาวะในแง่ของการปฏิบัติท่านให้เรามีสติรู้ทันมีสติรู้ทันความอยากเพราะความอยากมันนําไปสู่พบ ความอยากนำไปสู่ความเกิดความเกิดเกิดขึ้นจากอํานาจของความอยากผู้ที่ท่านไม่อยากในเมื่อไม่อยากแล้วก็ไม่ยึดหมดตันหาหมดอุปาทานเมื่อหมดอุปาทานก็หมดภพหมดชาติหมดภพหมดที่เกิดหมดผูดที่จะไปเกิดเพราะหมดตัวหมดตนมรู้จะเอาอะไรไปเกิดมันหมดตัวมันหมดตนหมดตัวหมดตนที่จะไปเกิด คนจะอำนาจของความอยากผู้ที่หมดอำนาจของความอยากนั่นแหะคือพุ้นผู้ที่ไม่เกิดผู้หมดเกิดความไม่เกิดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะ่คือการชะล้างผู้รู้ท่ารู้ของเราจนเหลือแต่หนึ่งเดียวบริสุทธิ์ไม่มีพิษสงแห่งความอยากไปกระตุ้นเตือนผู้รู้ผู้นั้นให้หลงเคลิมไปกับสิ่งนั้นๆท่านจึงว่าเหลือแต่ท่ารู้ที่บริสุทธิ์เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ หนึ่งเดียวไม่ได้เป็นสองกับสิ่งใดไม่มีกิริยาอนิจจังทุกขังนาตาไม่มีพบที่จะไปเกิดและไม่มีตัวตนที่จะไปเกิดภาะวะมีแต่ความอยากความอยากที่เฉยละได้หมดแล้วละได้ที่เราล ะ, ละไม่ได้อัตตามันโตขึ้นอัตตาโผล่อัตตามันโขนตนโขึ้นมา ความถือเนื้อถือตัวมันกโผลขึ้นมามีเรามีเขามีนายกรนายขอมีสูงมีต่ำมีงอมีฉลาดมีรวยมีจนมีสวยมีงามมีคิริวคเริมีอะไรอะไรสารพัมันเทียบเทียงเข้ามาเพราะความวาดตัววาดตนมันโผล่ขึ้นหนึ่งไว้ใจของเราวิริยาศักดิ์จว่าเป็นธรรมชาติมีอยู่ให้เราพิจารณาฮให้เราเข้าถึงอยู่แต่เราไม่เคยเข้าถึงเราไม่เคยพิจารณา โอกาสที่เราจะเข้าไปรู้จักตรงนี้เข้าไปรู้จักไในยาเพราะเราไม่เคยพิจารณา ม, มันก็สนุกลื่นรนแสดงลวดลายอยู่ในหัวใจของเราเนะี่ยเอาใจของเราเนี่ยไปทําตามบทบาทที่แล้วแต่มันจะเสกสรรพันแต่งให้เพราะฉะนั้นภพชาติของเราจึงไม่มีจุดจบไม่มีที่จบผู้ที่ท่านไม่เกิดก็คือผู้หมดภพชาติที่จะไปเกิดหมดอํานาจของความอยากที่จะไปเกิดความยาในหัวใจของเรามัน หยุดได้มันชะลอได้มันสงบได้จริงแค่เราดัมเบลิสติให้จ่ออยู่ในหัวใจของเรากับผู้รู้ของเราเนี่ยความอยากมันก็ดับลงตอนนั้นอันนี้ข้อทดสอบให้เรารู้ให้เราเห็นเข้าใจง่ายๆแค่นี้ท่านเจ้าท่านจึงให้พวกเราเจริญสติเจริญสติเจริญสติสติเต็มแฝงสติเต็มที่ ผู้รู้ของเราก็ตื่นเต็มที่สัมปชัญญะของเราก็เต็มที่ตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในนั้นอาศัยคุณสมบัติของใจอย่างเดียวหนึ่งเดียวนี่แหละสร้างสรร์นจนเป็นเหตุให้เกิดปัญญาจนเกิดปัญญายานสามารถเบือหนายคลายจางจากภพชาติที่เราเคยเกี่ยวข้องผูกพันมาจนสามารถปัดเป่าชะล้างออกได้หมดหมดแล้วผู้รู้เราหมดไหมไม่หมด ผู้รู้ของเราเหลือผู้รู้หนึ่งเดียวบริสุทธิ์ผลจากภาวะของความเป็นทุกข์ผลจากภาวะของอันิีจังทุกขังอนั้นตายผลจากภาวะของความเกิดใหญ่เก็บตายเราเอาตัวยึดออกตัวเดียวเราเข้าถึงความสุขประมังสุขังได้เรามีความทุกข์กับการที่เราไปเกี่ยวข้องไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างทุกเรื่อง เราพิจารณาดูให้ดีเรามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้กับทุกอย่างกับทุกเรื่องหวังว่าร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายแราศจากโรคภไข้เจ็บแต่ร่างกายมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันเพราะมันเป็นรังโรคมันต้องเจ็บต้องไข้ต้องป่วยเจ็บมากเจ็บน้อยป่วยมากป่วยน้อยอายุยืนยาวบ้างสั้นบ้างมากบ้างน้อยบ้างมันไม่เท่ากัน ธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้อาศัยความไม่อยากมีสติคากับจดจ่อดูแลมีปัญญาพิจารณาเพียรพร้อมทําให้เราหยุดจิตที่จิตหลงเพลินไปตามหน้าของตันหาได้ทําให้จิตตรงนี้เป็นธรรมขึ้นมาจิตตรงนี้เป็นธรรมขึ้นมาสติกกล้าปัญญากกล้าสมาธิกกล้า เห็นทุกเห็นโทษเห็นภายในวัฏสงสารความเพียรก็กล้าความอดความทนก็เป็นหนึ่งสามารถบุกงานทั้งหลายทั้งพวกเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปได้คนทุกขนโทษไปได้คือบายจาร์ของเรายุคหลังรุ่นหลังที่อยู่ในยุคของพวกเรานี่ยท่านเจ้าโต้งโอต ง, ต, ง, ต, ง, ต, งตั้งใจบำเพ็ญให้มีภูมิธรรมเหล่านี้มีมากมายที่เราพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังเป็นประจักษ์ปยานไม่ให้พวกเราลังเลสงสัย แต่จะถึงจิตถึงใจเราจะทําให้เราเห็นโทษเห็นภัยกับทุกข์กับโทษทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทั้งหมดตั้งใจแสวงหาเหมือนอย่างที่ครูใบยันของกเราตั้งใจแสวงหานั้นน่ะมันจะมีมากน้อยสักเท่าไหร่สต่จากนั้นพวกเราก็เลยต้องแบดแล้วก็ต้องจมอยู่ในกองทุกอยู่อย่างนี้แหละร่ําไปหามีความสุขอยู่บ้างเพราะมันเปรืน เขเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาคาว่าเวทนาน่ะเป็นตัวทุกแต่เราเอาความเพลินไปว่ามันเป็นสุขแท้ที่จริงพุทธเจ้าท่งนสุขระวานีทุกขี่ทุกทุกทุกทุกสุขเวทนาก็เป็นทุกทุกเวทนาก็เป็นทุกอทุกขมาสุขเวทนาทั้งเจะว่าสุขก็ไม่ใช่เจะว่าทุกก็ไม่ใช่ก็เป็นกองทุกทำไมเรีกว่าเป็นกองทุกเพราะว่ามันไม่คงทน สิ่งที่มันไม่คงทนคือสิ่งอีกสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปนั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์ทุกขังทุกขังมันเป็นความทุกข์ในหลักอริยสัจทั้งสจะเรียกว่าทุกขังทุกที่มันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมแต่พวกเรารู้จักทุกข์เช่นอย่างทุกข์ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหนาวเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู้นเป็นนี้ทุกทุกข์ถูกตี เราเห็นความเจ็บป่วยเห็นความเจ็บปวดเหานี้แหละเป็นกองทุกข์แท้ที่จริความ <คง S 1> เปลี่ยนแปล ง, ปลปลงความไม่คงที่พระพุทเจ้าท่รงตรัสว่านี่แหละทุกขังทุกขังความไม่คงที่เปลี่ยนไปเป็นอันนีจังมันอยู่ในฉากเดียวกันอยู่ในหน้าเดียวกันเห็อนอนนี้จังเท่ากับเห็นทุกขังเห็นทุกขังเท่ากับเห็นอันิี้จังเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยส่งช่วงต่อแก่กันและกัน ภาวะทั้งสองอย่างไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้พุทธเจ้าท่านจริงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตนถ้าตนเราต้องดัดแปลงได้เราฟังดูคุยเจ้าท่านวินิ้มฉายท่านบอกว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนถ้าตนเราต้องดัดแปลงได้เราต้องบอกได้เราต้องสอนได้เราไม่ให้มันแก่ได้ไหมร่างกายให้มันอ้วนพีขาวผ่องอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เลยเราดูไม่ยากดอก เราสงกระจบทุกวันเราเห็นเลยแหละช่วงไหนเราตกรัศมแต่งระดีอุ้สวยเงินหรือเกินงามหลือเกินเปลินน้าเพลินใจหลือเกินติดอกติดใจเราดูความเพลินใจของเรามันมีมันมีอะไรถึงใจเราไหมความทุกข์ความโทษทั้งหลายทั้งวงเหล่านั้นไม่เคยไม่เคยมีอะไรทําให้เราถึงถึงอกถึงใจมันจะเปลินกับเพลินเปลินกับเปลินมันเปล่ยนไปตามใจหวังเราสักอย่างไหมไม่เป็นไปตามใจหวังเราดอก เพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าอนัตตานั้นาตาบังคับบัญชาไม่ได้อนัตตานีคือไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนเพราะว่าไม่ใช่ตนความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนตมันมีอยู่เราคนหมดจดจอ่อจ้องมองดูสิ่งเหล่านั้นสงบระนับดับละลายหายไปมีอยู่ไหมมีอยู่หมดจดจ่อพิจารณาดูมันเห็นมันมีอยู่แต่จ้องสามารถ ทำจนชำนิชำนาญจนคล่องแคล่วจนมีผลตกพลึกทําให้สิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงเป็นอยู่จริง้นจากภาวะความเสกสรรปั้นแต่งภาวะเหล่านั้นสามารถมีได้เป็นได้การที่จะปล่อยจากอัตตาตัวตนเหล่านั้นจึงสามารถจะพ้นไปได้แล้วก็ปล่อยไปได้เช่นภาวะของความไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตา ไม่เอาตัวไม่มีตัวไปรองรับอะไรทั้งสิ้นร่างกายเจ็บร่างกายเราเไม่ใช่ตน้นแต่พวกเราเห็นร่างกายเนี่ยเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละเป็นตนแต่ตนที่ไหนวัตถุยศาสนร์โอ้ยดินน้ำลม้มไป ต, ตัว ต, ว ต, วตวนที่ไหนก็นี่เดยมีหัวมีขามีแขนมีลําตัวนี่ยกวนปีขาปองอยู่นี่นี่ตนนี่แหละตนเรายังไม่ได้ปฏิบัติทำเรายังไม่ได้แยกแยะ เราก็ยืดอยู่ร่างไปนี้แหละตนเมื่อมีตนขึ้นมามันก็มีของของตนมันก็มีเพื่อตนทำนู่นก็เพื่อตนทำนี่ก็เพื่อตนการส่อแสวงหาทรัพย์สมบัติก็เพื่อตนเพื่อตนเพื่อลูกของตนเพื่อผัวของตนเพื่อเมียของตนเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อญาติของตนเพื่อพวกพ้องของตนเนี่ยเอาอะไรมาจบล่ะมันไม่มีจุดจบ เพราะอะไรเพราะมันมีตนถ้าไม่มีตนแล้วจะเอาอะไรไปใส่เหมือนเราไม่มีภาชนะไม่รู้ เ, เราจะเก็บเอาอะไรใส่อะไรไปไม่มีอะไรใส่อะหมดภาชนะหมดความถือเป็นตัวเป็นตนหมดภาชนะเก็บเก็บบาปเก็บกรรมบาปกรรมไม่มีที่เก็บเพราะมันไม่มีผู้ที่จะเก็บไม่มีผู้ที่จะให้ความสัาคัญมั่นหมาย พ้นจากภาวะความเป็นตัวเป็นตนแค่เราทําใจได้แค่นี้เราก็มีความสุขแค่เราเรามาเจริญอนัตสญญนตสัญญาอนัตตสัญญาแค่นี้เราก็มีความสุขอนัตตสัญญาสัญญาคือความจําได้หมายรู้ว่าเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนภาวะที่แท้จริงยังไม่ปรกากฏในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าท่านให้เจริญอนัตสญญนตสัญญาอนัตตสัญญามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ท่าน ล้อให้เราทำเฉยๆเราจอไปไอขาั่าตนมันละลายไปจริงๆ